ห่งลสัสนวั์สิกขาบทที่สองว่าด้วยการถอนคนในที่แคบเรื่องภิกษุณีชา พ, พัคี798สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่หน้าพระเจตวันอารามของอนาถบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพวกภิกษุณีชา พ, พัคีให้ถอนคนในที่แคบเปลือยกายอาบน้ำท่าเดียว กันกับพวกหญิงแพทยยาในแม่น้ำอจิรวดีพวกหญิงแพศยาตําหนิประนามพลธ น, นาว่าเฉไนพวกภิกษุณีจึงให้ถอนคนในที่แคบเหมือนหญิงเครื่องหัดผู้บริโภคกามเล่าภิกษุณีทั้งหลายได้ยินพวกหญิงแพทยยาตําหนิประนามโพนธนาบรรดาภิกษุณีผู้มักน้อยพากันตนําหนิประนามพนธนาว่าเฉไนพวกภิกษุณีชาวเปะก็กีจึงให้ถอนคนในที่แคบเล่า นั้นแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นำเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบพวกภิกษุจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ